มีนิทานที่จะให้เห็นชัดถึงเรื่องนี้นะคือในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีคนคนหนึ่งมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาออกบทออกบทแล้วก็บอกกับน้องชายว่าพี่ขอบวชนะน้องชายบอกไม่เป็นไรพี่บวชไปเลแล้วน้องจะ อยู่ทำกิจการบ้านเรือนต่อไปให้พี่บวชน้องก็ดีนะพี่ก็บวชแล้วศรัทธาทำได้จนเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรมีลูกศิษย์มาเรียนมากมายน้องชายพอเห็นพี่เริ่มมีวัดมีลูกศิษย์ก็เลยส่งลูกตัวเองไปบวชอยู่กับพี่ชายลูกก็ต้องเรียกว่าหลวงลุงเนาะถ้าเป็นคนไทยเรียกว่าหลวงลุงนะ แต่สมัยนั้นไม่รู้เรียกว่าอะไรเราเรียกไปก่อนว่าเป็นหลวงลุงก็แล้วกันแต่ว่าวัดหลวงลุงเนี่ยเต็มกุฏิเต็ ม, ต เ, ตมเลยต้องส่งหลานไปอยู่อีกวัดหนึ่งจาพรรษาเสร็จแล้วในระหว่างในพรรษานั้นเนี่ยพระหลานก็ได้ผ้ามาสองผืนสมัยก่อนเนี่ยผ้าหายากพระแขวนผ้าไว้เนี่ยไม่เฝ้านนะโจรขโมยเพราะว่าเป็นสิ่งหายากไม่ ไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันมีโรงงานทอผ้าผ้าเหลือเฟือสมัยนั้นเนี่ยผ้าหายากผ้าของพระเนี่ยบางทีลงไปสงน้ำนะขึ้นมาผ้าหายต้องหาใบไม้มาปิดหายากขนาดนั้นนะแล้วก็เป็นของมีค่าขนาดนั้นพระใหม่ที่เป็นหลานเนี่ยได้ผ้ามาสองผืนดีใจก็โอ้เราเดี๋ยวออกพรรษาจะไปกราบหลวงลงุงแล้วก็เอาผ้าไปถวายท่าน พอออกพรรษาก็ไปไปกราบลวงลงุงขึ้นกุฏิอาหลวงลุงไม่อยู่ไม่อยู่ก็จัดอาสนะเตรียมอาสนะแล้วก็เตรียมกระโถนเตรียมพัดสมัยก่อนพระจะไม่มีพัดลมไม่มีแอร์นะก็จะมีพัดพัดของท่านเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆเคยเห็นตามหนังสมัยเก่าใช่ไหมจะ ต, ต้องพัดอย่างเงี้ยในวังอนะ่ยเตรียมพัดเอาไว้รอหลวงลงุลงหลวงลุงก็กลับมาก็กราบกราบแล้วก็นิมนต์ท่านนั่ง แล้วก็บอกท่านว่าผมในพรนษาเนี่ยผมได้ผ้ามาสองผืนขอถวายหลวงลุงทั้งสองผืนครับหลวงลุงก็บอกว่าโอ้เรามีเยอะแล้ววัดเราเยอะแยะเลยผ้าเยอะเอาไปใช้เองเถอะโอ้ผมภาษาตั้งใจมาทั้งพรรษาถ้าไม่รับสองผืนรับผืนนึงก็ได้ผมถวายผืนดีที่สุดในสองผืนนี้ให้หลวงลงุง ผืนนี้นะครับเดี่ยวผืนนี้ผมใช้เองผื้ น, นไม่ดีผมใช้เองเอาลงุลงช่วยรับพื้นดีหน่อยเอาไปเถอะไปใช้เถอะเราไม่รับหรอกเรามีเยอะแล้วเอาไปใช้เองเถอะปฏิเสธถึงสามครั้งพระหลานก็น้อยใจพระน้อยใจได้ไหม น, น้อยใจได้นะเพราะยังเป็นพระปุถุชนนะยังน้อยแต่ลงุงได้เป็นพระอรหันต์แล้วนะพระท่านก็น้อยใจ ดูสิเราเนี่ยนะเป็นทั้งหลานเป็นทั้งลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็คือลวงลุเนี่ยเป็นผู้บวชให้เป็นอุปชารู้จักคำว่าอุปชาใช่ไหมเวลาเราทําพิธีบวชนะจะมีหัวหน้าในพิธีบวชคืออุปชาหลงลุงเนี่ยเป็นทั้งลุงมาเป็นทั้งอุปชาเราเนี่ยเป็นทั้งหลานเป็นทั้งลูกศิษย์โดยตรงเลยใกล้ชิดมากเอาผ้ามาถวายอย่างนี้ยังไม่รับเลยลวงลุงไม่ให้เกียรติเราเลย เหรือว่าเราจะไม่มีวาสนาเราจะไม่มีวาสนาต่อไปในทางที่จะบวชพระหรือว่าเราเนี่ยคงจะเอาดีไม่ได้ภาวนาคงไม่ขึ้นหนึวงลุงจึงไม่รับไม่รับจากพระห่วยๆอย่างเราประมาณนี้นะคิดไปคิดมางั้นเราก็คงเอาดีไม่ได้ทางพระแล้วก็น่าจะสึกสึกได้ไหมพระสึกได้ไหม ได้พราศึกได้ถ้าศึกแล้วเนี่ยจะเอาอะไรไปตั้งตัวดีเพราะศึกแล้วเนี่ยมันบินบาดไม่ได้เลยใช่ไหมบินบาดไม่ได้ก็ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเอาอะไรเป็นทุนเอาผ้าสองผืนนี่แหละเป็นทุนเพราะบอกแล้วผ้าหายากเอาไปขายขายแล้วลงทุนลงทุนอะไรดีคิดว่าลงหนวอะไรดีตลาดหลักทรัพย์ขนาด น, นั้นไม่มี อังนั้นก็จะไม่เป็นแมงเมาก็เลยลคิดว่าลงทุนไปซื้อแม่แพะรู้จักแพะใช่ไหมแม่แพะทําไมต้องเป็นแพะเพราะว่าเอาไว้รับบาปแร้วเปล่าแพะเนี่ยที่ต้องเป็นแม่แพะเพราะว่าคนอินเดียชอบกินนมนะเอาแม่แพะมานะรีดนมเรามาขายแล้วก็ที่เอาต้องเอาแม่แพะเพราะว่าจะได้มีลูกได้ แล้วมีลูกแล้วจะเอาลูกแพะเนี่ยเลี้ยงแล้วก็ไปขายต่อแล้วก็บางตัวก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้ทําต่อไปมาให้ไปโตขึ้นเป็นแม่แพะแล้วกผ็ผลิตนมต่อเป็นฆรวาสมีแต่แพะไม่พอต้องมีเมียด้วยอต้องมีเมี ย, ยตอนบินตาบาดก็มองมองๆเหล่ๆไว้แล้วอ <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวจะเอาคนนั้นอะเป็นเมียมีเมี ย, ยแล้วก็ต้องมีลูกใช่ไหมมีลูก มีลูกแล้วลูกน่ารักไหมต้องน่ารักพ่อเมียก็สวยเราก็หลอ่อลูกก็ต้องน่ารักมีมีลูกน่ารักแล้วก็ต้องเอามาอวดลุงลงุมาอวดลุงลุ ง, ลงก็ขึ้นเกวียนมาขึ้นเกวียนมาพาลูกพาเมียมาอวดลุ ง, ลงในระหว่างขึ้นเกวียนก็เมียก็อุ้มลูกไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามีลูกคนแรกเป็นแม่มือใหม่ก็ ก็เลยเก้ะก๊กังกก็เลยหันไปมองเมียแล้วบอกว่ามา น, นี่เดี๋ยวท่านจะอุ้มให้ดูฉ่านเคยเห็นแม่อุ้มอุ้มน้องอยู่วันี่ทนน่นอุ้มให้ดูเมียก็บอกแกขับเกวียนไปเกวียนสมัยก่อนเนี่ยนะมันไม่มีคันเร่งจะใช้ประตักรู้จักประตักไหมต่อประตักขุนหันอนะ่ะ <c oughs> ใครนึกไม่ออกแต่น่าจะนึกออกกันนะ ปาตักเนี่ยเป็นไม้ด้ามยาวๆนะปลายแหลมแหลมีมเหล็กแหลมแหลนะเอาไว้จิ้มวัวถ้าต้องการให้วัวเดินเร็วก็จิ้มแรงๆจิ้มถี่ๆวัวจะเจ็บแล้วก็เดินเร็วๆวัวฉลาดหน่อยนะเห็นเงาปะตักมันก็จะรีบเดินเลยถ้าต้องการให้อยู่ก็ดึงดึงไอ้เชือกบางเหีนแต่ตอนนั้นเนี่ยทะเลาะกันเมีย บอกว่าจะอุ้มให้ดูเมียก็ไม่ยอมก็ยื้อไปยื้อกันมาลูกก็เลยตกเกวียนลูกตกเกวียนตกไปตรงร่องล้อพอดีล้อกะทับลูกตายก็เลยโมโหเมียเอาประตักเนี่ยเงื้อมาแล้วก็ไม่ได้จิ้มเมียนะตีเมียตอนตีเมียเนี่ยก็คือเงื้อพัดแล้วก็ตีหัวหลวงลุงเข้าใจไหม ไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยคิดเอาเป็นความคิดยังไม่ได้สึกเลยนั่งเป็นพระเน่ยคิดไปฟุ้งซ่านนี่เรื่องเนี่ยเรื่องฟุ้งซ่านนะเรื่องของพระฟุ้งซ่านยังไม่สึกเลยโนอะ้โหลงุลงๆเคยเคยขนาดนั้นไหมยังไงก็ถึงอย่าถึงอย่าถึงขนาดมาตีหัวพระก็แล้วกันนะ คิดว่าหลงลุงเนี่ยโหทําไมไม่ยอมรับภาคของเราเราคงจะไม่ดีเลยรู้สึกดีกว่าไปมีเมียจนมีลูกแล้วจนลูกตายตีเมียแต่ตอนนี้กําลังคิดอยู่เนี่ยถือพัดโบกพัดให้หลวงลุงอยู่พอตีเมียก็เลยเงื้อพัดฟาดไปที่หัวหลงลุงหลุงๆุงก็เป้งขึ้นมาก็หันไปมองหลานหันไปมองพระหลานบอกทะเลาะกับเมียแล้วพระแก่ๆไปเกี่ยวอะไรด้วย โอ้โหพระอรหันต์นั้นท่านรู้ใจนะพระองค์นั้นเลยตายแล้ววะผิดสองเด้งเลยนะตีหัวหลวงลุงไปแล้วด้วยหลวงลุงรู้ด้วยว่าเราคิดอะไรอายมากเลยนะอยู่ไม่ได้เลยทิ้งทุกอย่างเลยนะรีบหนีลงกระไดลงกุฏิไปเลยพระลูกศิษย์หลวงลุงเนี่ยหลวงลุงเป็นพระระดับกูบาจารย์ก็จะมีพระอุปถาคอยดูแล ก็อยู่ข้างล่างเห็นพระใหม่วิ่งลงไปก็เลยไล่จับนี่พระพระจับพระ <c oughs> พระน่แห <c oughs> ละจับพระจับได้ขึ้นมาก็จับพระหลานมาหาลวงลุงมาให้ขอเข้ามาพระหลานก็ขอเข้ามาลวงลุงก็บอกว่าความผิดครั้งนี้เนี่ยนะไม่เคยเกิดขึ้นเลยความผิดแบบเนี้รูปศิษย์ตีหัวอุปชาเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่รู้จะตัดสินยังไง ต้องพาไปหาพระพุทธเจ้าพระหลานครับโอ้โหเรื่องมันใหญ่ขนาดนะั้นแค่หลงลุงนี้เราก็ฟอจะแย่แล้วไปหาพระพุทธเจ้าเลยเหรออืแต่ก็ถูกจับแล้วนะดิ้นไปดิ้นมาไม่อยากจะไปเลยใจนี่ร้อนรนมากเลยก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้เห็นพระเนี่ยใจใจแย่มากเลยแล้วใจฟอมากเลยแล้วก็เสียใจเสียมากท่านก็ ทำยังไงให้พระ อ, องค์เนี่ยหายจากความเป็นความเป็นพระที่ใจฟอไปก่อน mm hmm. ก็เลยทักทักเพื่อให้คลายจากความเศร้าหมองตรงนั้นทักไปว่าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุจับภิกษุมาหรือ mm hmm. เหมือนพระจับพระมาเรือนะนะ mm hmm. ให้ให้บรรยากาศมาผ่อนคลายไปก่อน mm hmm. แล้วพอพาพระมานั่งพระหลานมานั่งแล้ว mm hmm. พระพุทธเจ้าก็ทักบอกว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละดูนะความกรุณาของพระพุทธเจ้านะไม่ได้ว่าเจ้ามันเลวจะใช้ไม่ได้ยิ่งทับถมเท่าไหร่ท่านยิ่งห่อเหี่ยวยิ่งฝ่อใจแตกสลายไปหมดตอนนั้นท่านฝ่อแย่อยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็ยกยกใจขึ้นมายกใจขึ้นมาบอกว่าไม่เป็นไรธรรมดาจิตเป็นอย่างนี้แหละ จะบอกยงนี้นะจิตเป็นอย่างนี้แหละจิตเนี่ยแหละมันแล่นไปจิตมีธรรมดาอย่างนี้นะลักษณะของจิตมีธรรมดาอยู่สี่อย่างตามที่ท่านแสดงให้กับพระองค์ี้ฝังนะเป็นคาถาจะฟังบาลีไหมหรือจะเอ า, พาะพอภาษาไทยฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะเ <c oughs> อาสองอย่างเหรอลองลองฟังบาลีดูนะ ฟังไม่ได้ก็กันเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็มาฟังภาษาไทยคําแปลท่านบอกว่าจิตมีลักษณะอย่างนี้สอย่างนะทูรังขมังภาษาบาลีนะทูรังขมังเอกจรังอสรีรังขุหาสยังแปลออกไหมไม่ออกเลยใช่ไหมต่อไปเป็นคําแปล <laughs> ทูรังขมังแปลว่า ไปไกลธุระแปลว่าไกลภาษาไทยกลายเป็นโทระธุระค ม, มนาคมธุระธุระกันดารแหล่งกันดารที่ไกลธุระแปลว่าไกลโทระจิตโทรเลขอะไร ป, ประมาณนี้นะคือแปลว่าไกลโทรทัศน์ได้ดูไกลๆโทรศัพท์เสียงมาจากทางไกลคมะแปลว่าไปคมะเนี่ยนะขมะ ทอรคมนาคมโทอรคมนาคมคมนาคมก็คือคมาบวกกับอะคมะอาตมาชอบคำแปลของในหลวงมากเลยไปบ้างไม่ไปบ้างคมนาคมเนีจราจรแล่นบ้างไม่แล่นบ้างมันเลยรถก็เลยติดบ้างไปบ้างติดบ้างไปบ้างให้ทําใจเพราะว่าเราเป็นระบบจราจรแล่นบ้างไม่แล่นบ้าง ขมาแปลว่าไปนะออกเสียงคล้ายๆภาษาอังกฤษคําว่าคําแต่คําแปลว่ามาบาลีแปลว่าไปแปลว่าไปทูรังขมังแปลว่าจิตเนี่ยแล่นไปไกลเอกจรังเอกแปลว่าหนึ่งจระแปลว่าแล่นนะจร จ, จรนั่นแหละจรจอแล่นไปแล่นบ้างไม่แล่นบ้างนี่แหละเอกจรังเนี่ยไปทีละขณะ อย่างที่บอกแล้วเกิดขึ้นดวงหนึ่งสวยอารมณ์ดับไปแล้วเกิดอีกดวงหนึ่งสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปอย่างนี้นะไปทีละขณะอย่างนี้ไปทีละดวงบางคนเรียกว่าเป็นดวงถ้าคนเรียนอภิธรรมมันเรียกว่าจิตเป็นดวงไปทีละดวงไม่ได้ไปทีละพวงเราเหมือนกับว่าเวลาดูโทรทัศน์เนี่ยเหมือนกับว่าทั้งดูทั้งฟังถ้ากินขนมด้วยก็ทั้งริมรสไปด้วยถ้ามีน้ําหอมอะไรก็ดมไปด้วยนะ จริงจริงแล้วดูขณะหนึ่งฟังขณะหนึ่งดมขณะหนึ่งกินขณะหนึ่งทีละขณะถ้าเอาใจใส่เรื่องเสียงขณะนั้นไม่ได้ดูถ้าเอาใจใส่เรื่องดูขณะนั้นไม่ได้ฟังถ้าเอาใจเรื่องเอาใจใส่ในเรื่องรถขณะนั้นไม่ดูไม่ได้ดูไม่ได้ฟังแต่ที่เราฟังรู้เรื่องดูรู้เรื่องรวมทั้งกินได้ด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเร็วแล้วเสียง ที่ได้ยินมาเนี่ยเรามีสัญญาจําเอาไว้รูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรามีสัญญาจําเอาไว้แล้วเอาสัญญานะั้นมาต่อเนื่องกันมาต่อมาเขาเรียกว่ามาประมวลมาประมวลข้าทําให้รับรู้ได้ว่าตัวละครตัวนี้กาลังทําอะไรตัวละครคนนี้กําลังพูดอะไรแม่บ้านยกอาหารมาเราก็รู้ได้แล้วเราก็มาฟังต่อมาดูต่อดูโทรทัศน์ต่อแล้วก็รู้อะไรต่างๆแต่มันรู้ทีละขณะ ขณะที่รู้แม่บ้านกาลังยกอะไรมาเนี่ยไม่ได้ดูทีวีใจไม่ได้อยู่กับทีวีแต่รู้ว่าแม่บ้านยกอะไรมามีเสียงแตรรถอยู่ข้างนอกใครมาได้ยินเสียงนะขณะนั้นไม่ได้ฟังไม่ได้ดูทีวีความใส่ใจของจิตเนี่ยไปทีละขณะนะแล่นไปไกลไปไกลไหมโทรรังเขงมังนี่แล่นไปไกลนะเราสามารถรู้ได้ว่าโอบามาพูดอะไรรู้ได้ว่าทีมฟุตบอลนี้ แข่งผลแพ้ชนะเป็นยังไงเอเชียนเกมจะเริ่มที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยรู้ได้หมดเลยคนนี้บินไปไหนคนนั้นพูดอะไรกับใครตกลงอะไรกินถังเช่าที่ไหนอะไรก็รู้หมดเลยเนี่ยแล่นไปไกลทุรังขะมังแล้วก็เอกะจังแต่ที่แล่นไปเนี่ยแล่นไปทีละขณะแล่นไปทางตาบ้างขณะหนึ่งหูขณะหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ขณะเดียวขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหลายๆขณะแต่มันไปทีละขณะ นะอสริรังคือไม่มีสรีละไม่มีร่างกายไม่มีรูปจิตไม่มีรูปเพราะมันเป็นนามธรรมจะเอาตามาเห็นไม่ได้เอาจมูกไปดมกลิ่นของจิตก็ไม่มีนะหูฟังเสียงของจิตไม่มีจิตเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นนามธรรมมีสภาพรู้อารมณ์มีสภาพรู้อารมณ์นะม รู้อารมณ์ทางตาคือรู้รูปรู้อารมณ์ทางหูคือรู้เสียงรู้อารมณ์ทางจมูกคือรู้กลิ่นทางลิ้นคือรู้รสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายและที่มากเลยคือรู้เรื่องราวต่างๆที่คิดนึ่ในใจรู้เหล่านี้รู้ทีละขณะแล้วก็รู้ไปไกลได้ด้วยไม่ใช่รู้เฉพาะแถวๆนี้รู้ไปไกลได้ตัวอยู่นี่นั่งอยู่นี่นะจะจิตไปไกลได้ตอนนี้นึกถึงบ้านนึกได้ไหม นังได้ห้องน้าเป็นยังไงรู้ได้ห้องนอนเป็นยังไงรู้ได้หมดเลยแล่นไปไกลอย่าว่าแต่ห้องนอนนึกไปถึงดวงอาทิตย์ก็ได้นึกถึงอเมริกาก็ได้เรายิ่งยิ่งตัวเคยไปยิ่งมีประสบการณ์รนั้นยิ่งนึกได้ชัดเจนยิ่งแล่นไปได้ชัดเจนทูรังขมังนะเอกจรังอสรีรังคือไม่มีสรีระไม่มีร่างกายฮะ อสรีรังอเพราะว่าไม่ไม่มีไม่มีสรีลอะอะสรีรังลักษณะสุดท้ายคือคูหาสยังคูหาคือคูหาคนไทยจะเรียกว่าคูหาคูหาหมายถึงถ้าคูหาคือถ้ำถ้ำคือกายนี้เป็นถ้าเป็นที่อยู่ของจิตอาศัยคูหาคืออาศัยกายนี้อยู่จิตนี้อาศัยกายนี้จิตนี้ก็ อ, อาศัยกายนี้จิตนู้นก็อาศัยกายนู้นนี่นะ แต่ละจิตอาศัยกายนั้นอยู่มันแล่นไปก็จริงนะเดี๋ยวมันก็กลับมามันแล่นไปเดี๋ยวก็กลับมากลับมาอะไรกลับมามาดูต่อกลับมามาฟังกลับมาดมมันอาศัยกายนี้อยู่แต่ว่าตอนมันกลับมาเนี่ยมันไม่มีสติมันมันติดใจกับสิ่งข้างนอกมันเลยสนใจและเรียนเรียนรู้เรื่องข้างนอกคือเรียนรู้เรื่องโลกลืมเรียนรู้เรื่องกายและใจของตัวเอง ท่านให้ดูอย่างนี้ท่านบอกว่าลักษณะของจิตเป็นอย่างนี้นะบอกกับพระนะพระที่ฟุ้งซ่านเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าจิตธรรมดาเป็นอย่างนี้อะไรมีอะไรบ้างทูรังขังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังมีลักษณะสีอย่างคือแล่นไปไกลไปทีลักษณะไม่มีรูปร่าง อาศัยกายนี้อยู่จิตกับกายนี้ยังมีสัมพันธ์กันอยู่นะจิตนี้กายนี้สัมพันธ์กันอยู่จึงเป็นชีวิตนี้ของเราดูเป็นของเราเพราะมันอาศัยสัมพันธ์กันจิตนี้ไม่ได้ไปสัมพันธ์กับกายนี้มันไม่ได้เข้าร่างนี้มันอยู่ในร่างนี้มันอาศัยร่างคือครูหาหรือถ้าอันนี้อยู่ท่านเปรียบกายนี้เป็นถ้ำเปรียบจิตเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอาศัยถ้านี้อยู่สี่อย่างนี้นะ แล้วท่านก็สรุปบอกสรุปเป็นภาษาบาลีเนี๋ย ว, ว่าเป็นภาษาบาลีก่อนนะเยจิตตังสัญเมสสันติโมขันติมารพันธนาฟังไม่ออกใช่ไหมต่อไปเป็นคำแปลเธอจงเธอจงสำรวมอยู่ในจิตจิตตัง สัญเมสันติคือสัมรวมจิตเวลาแปลบาลีคล้ายๆแปลภาษาอังกฤษแปลจากท้ายมาหน้าเยจิตตังสัญเมสันติสัญญเมสันติคือสัรวมสัมรวมอยู่ที่จิตโมกขันติมารพันธนามารพันธนาคือเครื่องมัดเครื่องพันธนาของมารโมกขันติคือหลุดพ้นจงสัมรวมอยู่ในจิตแล้วเธอจะหลุดพ้นจากบ่วงของมารจากหลุดพ้นจากพันธนาการของมารมานี่คือ การเกิดตายในโลกนี้พระองค์นั้นฟังแล้วท่านก็ดูจิตของท่านตามไปท่านต้องดูจิตเพราะท่านฟุ้งซ่านท่านตอนนั้นฟุ้งซ่านและผลจากการฟุ้งซ่านกตีหัวหลงลุงไปแล้วและตอนนั้นก็กาลังฟุ้งซ่านด้วยท่านไม่ได้มีพื้นฐานที่จะมาทาฌานถ้าท่านทำฌานพระพุทธเจ้า ส, สอนอีกแบบหนึง่งแต่พระองค์นี้พระฟุ้งซ่านท่านก็ให้ดูจิต ดูจิตว่ามันเป็นยังไงลักษณะของจิตตอนแรกทั้งการบอกลักษณะของจิตว่าจิตเนี่ยมันไปไกล mm. แล่นไปทีละขณะไม่มีรูปร่างนะอย่าไปอย่าไปทางตาดูนะใช้รู้สึกรู้สึกเอาแล้วก็อยู่ในกายนี่แหละอาศัยกายนี่เป็นที่อยู่ไปก่อนเหมือนเราดูลมหายใจเอาลมหายใจนี่เป็นที่อยู่เป็นที่อยู่หลักไปก่อนแล้วพอมันแล่นไปรู้ทันมันหนีไปรู้ทัน ยนะจะรู้ทันว่าจิตมันแล่นไปได้เราต้องมีที่อยู่ก่อนอาศัยกายนี้เป็นที่อยู่เห็นกายหายใจไปก่อนก็ได้เห็นกายหายใจก็ท้องก็เพื่อนไปแล้วจิตมันไหลไปคนเดินมาจิตไหลไปคนเดินมาจริงแต่จิตไหลไป <c oughs> จิตไหลไปรู้ทันจิตไปแล้วก็ให้มันกลับมาอยู่ในที่อยู่ที่อยู่ของเราต่ออาศัยกายนี้เป็นที่อยู่ต่อเห็นกายหลยเห็นกายเคลื่อนไหวก็รู้ความเคลื่อนไหวของกาย เห็นจิตไหลก็เห็นการทํางานของจิตจิตมันจะไหลออกจากที่อยู่ไปเดี๋ยวมันก็กลับมาถ้าเราอาศัยว่าให้กายนี้เป็นที่อยู่หลักของมันอย่างงี้นะคนที่ฟุง้งซ่านคนที่ทําสมาธิไม่ได้ไม่ต้องกลัวพระองค์นี้ทําตามแล้วท่านก็สำรวมจิตคือสังเกตจิตสํารวมก็คือไปสังเกตมันจะฟุ้งซ่านไปตอนนั้นก็คือไม่ไม่ได้สํารวมแต่หัดสังเกตบ่อยๆสํารวมนี้นี่คือสังเกตบ่อยๆมี รเรียกว่าให้ความสำคัญในการดูจิตให้ความสำคัญในการศึกษาเรื่องจิตจิตขณะนี้ทำงานยังไงขณะนี้มีกิเลส ต, ตัวไหนขณะนี้ฟุ้งซ่านขณะนี้หดหูขณะนี้มีราคะโทสะสังเกตยอยู่ในนี้พอสิ้นคำของพระพุทธเจ้าท่านดูตามพอดูตามท่านสำเร็จเป็นพระโสดาบันท่านได้ครูดีอัตมาก็เอามาบอกต่อนะถือว่าเอาคาครูมาบอกแล้ว ตอนนี้เป็นเรื่องของโยมที่จะไปทำทำยากไหมยากเลยโอ้โหดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเนะี่ยไม่ยากเลยไม่ได้ดูไม่ได้ไปทำเรื่องอื่นไม่ต้องไปสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆใน ใ, นใจเราเนะี่ยราคะก็เคยเกิดขึ้นแล้วก็แค่หันมาดูว่าถ้าราคะเกิดขึ้นจริงขนาดนี้ปัจจุบันนี้ให้รู้ทันถ้าโทสะเกิดขึ้นตอนนี้ให้รู้ทัน ไม่ใช่ไปรู้ทันโศกเมื่อวานไม่ไม่รู้ทันโทศะเมื่อเช้าไม่ใช่ยงนั้นนะหรือโทศะจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ารีบรู้ตอนนี้เลยไม่ได้ต้องรู้ปัจจุบันรู้ตอนปัจจุบันเท่านั้นนะรู้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นอดีตไม่ได้อนาคตไม่ไม่ได้เพราะถ้าอาดีตเราต้องคิดต้องคิดถึงอดีตเมื่อเช้านี้เป็นยังไงต้องคิดถึงใช่ไหมอนาคตจะทําอะไรก็ต้องคิดใช่ไหม แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดเลยรู้เฉยๆขณะนี้กายเป็นยังไงต้องคิดไหมไม่ต้องคิดรู้ไปเลยอยู่ในท่าเ น, นี้ยรู้เลยรู้เฉยๆถ้าเริ่มคิดผิดผิดในแง่ของการจเจริญวิปัสสนานะถ้าเริ่มคิดคือตอนนั้นไม่รู้ถ้าแค่รู้ตอนนั้นไม่ได้คิดความรู้ไอ้ตัวรู้กับตัวคิดก็เลยเหมือนเป็นสวิตสลับกันออนออฟสลับกันเริ่มคิดมาหลายคือพลาดจากการรู้ พอรู้ปุ๊บตอนนั้นหยุดคิดไม่มีความคิดนะตอนรู้ไม่ได้คิดตอนรู้ว่ามีราคะก็ไม่ต้องคิดพอเริ่มคิดเนี่ยจิตมันทำงานอีกอย่างนึงแหละไม่ได้เจริญสติจิตปรุงแต่งขณะนั้นจิตเริ่มปรุงแต่งเริ่มคิดคือเริ่มปรุงแต่งตอนนั้นกําลังฟุ้งซ่านไม่รู้เหมือนพระองค์นั้ น, นกําลังคิดถึงเรื่อง จะทํำยังไงกับชีวิตคารวาสจะเอาผ้าไปขายขายแล้วซื้อแพะแพะได้แพะแล้วก็ไปหาเมียอะไรเงี้ยคิดคิดคิดคิ ด, คดไม่ด้มีความรู้ไม่ได้รู้ตัวก็กำลังฟุง้งซ่านแต่พอถ้ารู้ตัวซะแล้วนะความคิดจะดับแต่ถ้าเผลอใหม่คิ ด, หดใหม่ได้อะไรอย่างนแล้วไม่ใช่ว่ามีสติครั้งหนึ่งแล้วราคาจะไม่เกิดอีกเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเกิดอีกนั่นแหละแล้วรู้อีกทุกครั้งที่รู้ เราจะได้ทักษะในการรู้กิเลสเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆว่าได้แต้มนะได้แต้มและการได้แต้มจากการมีสติเนี่ยเราหลงมาตลอดสังสารวัตเนี่ยนะเราไม่ต้องมีสติอีกหนึ่งสังสารวัต <c oughs> <c oughs> เรเข้าใจไเวลาแห่งความหลงสมมติว่าหลงมาสิบปีเราไม่ต้องมีสติทั้งสิบปีเพื่อให้ดับความหลงที่เกิดขึ้น ไม่งันแล้วเราต้องมีสติไปอีกสังสารวัตหนึ่งจึงจะมีปัญญาพ้นทุกข์ขึ้นมาได้แต่สติเนี่ยมันเป็นมหากุศลมีสติถูกต้องไม่ต้องนานไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจดชาติเจดชาตินานไหมนานเลยสังสารวัตรนานกว่านั้นเยอะเลยสังสารวัตรเนี่ยนับชาติไม่ท่วนกัปกับหนึ่งเนี่ยนับชาติไม่ท่วนแล้วนับกลับไม่ท่วนด้วยเนี่ยโอ้ ตลอดสังสารวัตมาเนี่ยนะเทียบไม่ได้กับเจ็ดชาติแล้วถ้าทำได้ถูกจริงเนี่ยนะไม่เกินไม่เกินชาตินี้<ร>เห็นผลไม่เกินเจ็ดปีบางคนทำได้ดีเนะี่ยไม่เกินเจ็ดเดือนยิ่งใครมีบุญบรารมีเคยฝึกมาก่อนนะอาจไม่ถึงเจดเดือนก็ได้อาจแค่เจ็ดสัปดาห์เจ็ดวันบางคนภายในสามวันนี้ รู้สึกไม่เชื่อเลยใช่ไหยไม่เชื่อตัวเองเลยเหรอให้ทำให้ถูกตัวเริ่มต้นเลยนะให้เห็นสภาวะให้ได้ก่อนคอร์สเนี่ยอาตามายอมมาเพราะโยมเขาสามารถติดต่อพี่เลี้ยงมาให้ได้ภาคบ่ายเนี่ยเราจะได้พบกับพี่เลี้ยงเนี่ยนะจะเป็นภาคที่สำคัญมากเลยนะ ห้ามพลาดเลยเป็นไฮไลท์ของของคอร์สเลยนะอาตมาพูดเนี่ยพูดแบบเหวี่ยงแหะแต่พอแบ่งกลุ่มย่อยตอนแบ่งกลุ่มย่อยเนี่ยพี่เลี้ยงจะมีเวลาที่จะจี้แต่ละคนแต่ละคนนะนะพูดเวอร์ไปปะหลายคนเนี่ยเห็นสภาวะเห็นสภาวะได้โดยที่ไม่ต้องคิดครั้งแรกจากการที่แบ่งกลุ่มย่อยนี่นั่นเป็นก้าวสำคัญของสังสารวัตร สังสารวัฏจะเริ่มหดสั้นเข้าตั้งแต่ที่เรามีจิตเริ่มเห็นสภาวะเรียกว่าจิตตื่นนะทุกครั้งที่เรามีความรู้อะไรเนะี่ยมักจะรู้ด้วยความคิดแล้วเราฝึกคิดมาตั้งแต่จำความได้จริงๆฝึกมาตั้งแต่อดีตชาติชาตินี้ก็มาฝึกต่อแล้วแถมเน้นมากด้วยยุคนี้นะยุคนี้เน้นที่ความคิด ค, คิดแล้วก็ขายได้ด้วยคิดขายได้ด้วยแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นผลมาจากความคิดแม้แต่กระทั่งเรื่องของมรรคผล mm hmm. แต่จริงแล้วตอนฝึกเพื่อให้ได้มาผลเนี่ยพ้นจากความคิดขณะที่รู้ไม่คิดขณะที่คิดไม่รู้ต่างกันนะดูตรงนี้นะบางคนเข้าใจผิดถึงขนาดทําการ์ตูนอาตมาเคยอ่านการ์ตูน วาดพุทธประวัติวาดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนะี่ยพระพุทธเจ้ากาลังคิดแบบทำหน้าอย่างนี้นะั่นนี่หลยอ่านแล้วไม่ใช่หรอกคนวาดเนี่ยไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยการคิดหาเหตุผล <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คิดรู้เฉยๆจะรู้ยังไงถึงตอนนั้นเนี่ยนะคงอธิบายตอนนี้มันจะอาจจะมากเกินไป เอาแค่ตอนนี้รู้ให้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก่อนหรือถ้ารู้ในใจไม่ได้ให้รู้กายหลักนะหลักคือรู้ใจได้ให้รู้ใจรู้ใจไม่ได้ให้รู้กายกายคือขณะนี้อยู่ในท่าไหนมีอิริยาบถยังไงรู้ที่กายรู้กายไม่ได้ใจก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนะให้ทำสมถะไว้ก่อนก็ยังดีรู้กายหรือรู้ใจเนี่ยถือทำวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ได้ ถอยตั้งหลักอยู่ที่สมถะคือทําสมถะให้ได้ก่อนภาวนาพุโทโธท่องพุโทโธพุโทโธในใจก็ได้หรือเพ่งอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้ทันว่าตอนที่จิตมันเผลอต่อไปถ้าทําสมถะไว้แล้วเอาสมถะนั้นเป็นฐานที่จะเห็นจิตนี้มันทํางานนะทําสมถะเพื่อที่จะส่งต่อพัฒนาต่อได้สมถะถ้าพอใจอยู่แค่ว่ามีความสุขจากการทําจิตสงบนะ แล้วไม่ทําต่อนะเรียกว่าเสียของ <mun i> ตอนนั้นเสียของทำสมาธแล้วพอใจอยู่แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเสียของสมถธิทาได้แล้วคือจิตสงบดีแล้วเนี่ยให้จิตที่สงบนั้นเป็นฐานที่จะพัฒนาปัญญาต่อไปนี่ใช้ได้ไม่เสียของ